ถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติวิปัสนาหรือสมถะ ก, ก็ดีเนะี่ยร่างกายเราอ่อนแอลงขี้โรคเนี่ยเอามาถือว่ายังไม่ได้ผลในการปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ผลร่ลางกายและจิตใจต้องเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพระ ก, กรรมาฐานเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคได้เลยนะถ้าปฏิบัติถูกนะเพราะอะไรคําสอนพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดแล้วแต่ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกถ้าเราปฏิบัติถูกต้องได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเนี่ย อย่างชัดเจนนะฮะสีท่านก็นตราดเอาไว้อาการ32ท่านก็นตราดเอาไว้ลมหายใจท่านก็นตราดเอาไว้การบริโภคการกินท่านตรัสไม่หมดแต่เนื่องจากว่าชาวพุทธของเราตีบทคําสอนพระเจ้าไม่แตกเนี่ยก็เลยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรดัง น, นั้นการรักษาสุขภาพทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราจะสนใ จ, จเจริญสติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ย เรามีคําสอนมีข้อมูลมีหนังสือที่หลากหลายมากเกี่ยวข้องกับด้านดูแลสุขภาพทางเลือกที่เป็นธรรมชาตินะแต่บอกว่าเราไม่มีเวลาสนใจนี่ตรงเนี้ยมันเพราะอะไรแสดงว่าเราไม่เคยรักตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าไม่รักตัวเองเราจะรักใครเป็นอ่นักลูกรักผัวรักเมียรักพี่รักน้องจริงไหมมันไม่ใช่นะความรักที่แท้จริงต้องเกิดจาก ร่างตัวเราบางคนไอ้รักงตัวเราก็เห็นแก่ตัวดิไปนังนีนะ้เพราะฉะนั้นเองการเจริญสติเนี่ยต้องเอื้อไปสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมของชีวิตถ้าการเจริญสติไม่เอื้อไปทุกกิจกรรมของชีวิตการเจริญสตินั้นยังไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเด็ดตรง แต่ผู้ที่จะสามารถนำสติเข้าไปประยุกต์ใช้ทุกกิจกรรมของชีวิตนั่นคือคนที่ได้รู้จักรูปนามก่อนคือให้รู้จักตัวเองก่อนนะตัวเองเป็นใครเป็นอะไรเพราะอะไรอะไรแล้วแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตนี้มันไม่มีสาระอะไรจริงๆเราจะเริ่มเลือกที่จะทําในสิ่งเป็นสาระนะเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งของนิจังทุกหน้าตาแล้วทีนี้เราจะทำไงจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นหรือ มันก็ยังไม่มีสาระใหญ่เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกเมื่อรู้จักว่าชีวิตนี้เป็นอนิจจังทุขังอนัตตาเราก็ควรเจริญความไม่ประมาทใช่ไมวิยธรรมาสังคาราอ ป, ปมาเทนะสัมปะเททะท่านสั่งเอาไว้เป็นวินัยกรรมชิ้นสุดท้ายเลยใช่ไหมจำได้มหาธานิพิกเวมันทยา ม, โมยิโอเราจำได้เป็นอย่างดีนะแต่ตีบทไม่แตก ว่าบัดนี้เราขอเตือนทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทหรือจงเจริญสติให้ถึงพร้อมตลอดเวลาทําไมจึงเจริญสติทําไมจึงความไม่ประมาทเพื่อที่จะแปลงไอ้สังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดาให้มันเกิดประโยชน์ ถ้าเราไม่เจริญความไม่ประมาทไม่เจริญสติไอ้สังขารที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งไปไว้ไม่ได้ประโยชน์การเกิดของเรามาก็ไม่ได้ประโยชน์จากชีวิตนี้เท่าที่ควรเพราะอย่าลืมว่ากว่าเราจะเกิดมาได้ชีวิตมาเป็นอย่างนี้โอ้โหผ่านความทุกข์ยากลำบากผ่านที่เราเรียกว่าอะไรตามภาษาสมมติผ่านภพผ่านชาติผ่า น, า น, า น, าานการผจนภัย ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทุกยากขนาดไห น, นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากชีวิตนี้สมัยก่อนเอามาก็เคยประมาทอย่างที่ว่าพราะไม่รู้เนาะก็เป็นโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเป็นไมเกรนไปประสาทเสื่อมเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคหัวใจอย่างแต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นโรคประวัติเป็นโรมะเร็งนอกนั้นเป็นหมดเอ๊ะทาไมชีวิตทุกข์ขนานี้ก็ริ่มนะเมื่อหันมาปฏิบัติแล้วก็ริ่มรักษาเยียวยามาเรื่อยๆ ก็ได้ประสบการณ์ในการดูแลตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าโอ้การเจริญสติเนี่ยมันเอื้อชีวิตมากถึงขนาดนี้แต่ทำไมชาวพุทธเราจึงไม่ได้อา น, นิสงส์มากเท่าที่ควรนะก็เริ่มสนใจในการแก้ไขเพราะว่าในศาสตร์แห่งการดูแลชีวิตก็มีอยู่แค่สีเรื่องใช่ไหมความเหตุของความทุกข์ทางกายมีสีเรื่องคืออะไรบ้าง กรรมจิตอุตุอาหารใช่ไหมทำเราของไม่ทากรรมคือการกระทาการกระทำที่ไม่ถูกต้องทำให้เราเจ็บป่วยเป็นทุกขเวทนาจิตที่คิดไม่ถูกต้องทำให้เราเกิดความเครียดและเกิดความโรคภัยไข้เจ็บเราอยู่ปรับอากาศไม่พอดีไม่สมดุลกับทาภายนอกภายในของตัวเองก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อาหารที่บริโภคเข้าไปไม่ถูกท้องกับกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปธาตุของตัวเองก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บแค่สีอย่างเนี่ยใ ห, ให้ไปดูรายละเอียดก่อนกรรมคือการกระทําต่างๆของเราการปวดหลังปวดเอวการลุกการนั่งเนี่ยล้วนแต่เกิดจากความไม่สมดุลเท่านั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ไม่มีสติในการสำรวจถ้าสมมุติไปนั่งสมาธิได้สมาธิก็นั่งแช่อ ย, อยู่ในท่าเดิมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง แต่หาลู่ไว้ว่านั่นเป็นการเปลี่ยนเบียนตัวเองเป็นการทำร้ายตัวเองกรรมฐานแทนที่จะเป็นกรรมฐานเป็นกรรมที่ทรมานตัวเองไปเลยนะทั้งที่ตั้งใจทำดีนะแต่ท้านทำไม่ถูกกลายเป็นร้ายไปดังนั้นตัวที่เราจะรักษาชีวิตนี้ไม่ต้องการเพื่อที่จะให้ไปสวรรค์ไม่ต้องการที่จะไปพรม แต่ต้องการให้ไปเหนือกว่า น, นั้นเพราะสวรรค์ท่าที่ฟังอาจารย์สุภีวันก่อนแล้วใช่ไหมไปสวรรค์ก็ไปเพลิดเพลินประมาทเดี๋ยวก็ไปตกอบายพอตกอบายทุกข์มากๆ <c oughs> กลัวทุกข์ก็ไปพัฒนาภูมิทํามขึ้นมาก็ไปเกิดในสวรรค์อีกเห็นทั้งทุกข์ทั้งสุขเห็นสังสวร์สบายหน้าเบื่อก็พัฒนาตัวจิตให้สงบไปเกิดเป็นพรหมเอาไปเกิดเป็นพรมยาวอีกที่นี้ เขายืนประมาทใหญ่พอจุติจะพรมปับ๊บตกเป็นอบายอีกวนอยู่อย่างเนี้ยพระอริยเจา้าถ้าเห็นว่าโอ้มันวนเวียนไม่จบไม่สิ้นทันทีให้ไปไกลกว่าเทวดาไปไกลกว่าให้พรมการที่เราไปตกอบายเราก็ไม่ได้ตั้งใจทําอบายแต่เพราะเราเพลินในความสบายมันถึงไปตกอบายเพราะนั้นความสบายท่านไม่ให้เพลินแต่ใช้ความสบายเป็นเครื่องมือในการยกระดับจิตของตัวเองนะ เพราะนั้นถ้าจะ ต, ตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องลำดับเลยว่าเราจะให้ชีวิตในวันนี้เป็นยังไงเราแลนได้ชีวิตอย่างนี้จะต้องการสุขหรือทุกข์ในวันนี้แพลนเลยในฝ่ายกายชีวิตในฝ่ายกายเนี่ยจะให้มันปกติได้งยงไงนะก็มาดูว่ากายนี้ประกอบด้วยอะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเมื่อดินน้ำลมไฟเป็นตัวกาย เราจะทำไงให้ดินนบโลงไฟเกิดมัชิมาปฏิปท า, าที่เราใช้คำว่าเกิดความสมดุลเกิดการบาลานนั่นแหละเราก็ต้องปรับถึงเช้ามาที่4ถึงที่ห้ก็ทำเรื่องนี้ก่อนนะออกกำลังกายทานน้ำทำลมปรานอพอเสร็จจากนั้นก็ทานอาหารปกติก็ปรับตรงนี้ก่อนคือเราเสียเวลาแค่วันแค่นิดหน่อยเพื่อความสบายทั้งวันเนี่ย แต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น嘛เพราตื่นขึ้นมาพระพวกคุลีคุจอแต่เนื้เตรียมอาน้ำรีไปทำงานก็หืดก็หอบนะอ่าซึ่งชีวิตของเราประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจแต่ถ้ามาพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญอะไนมากกว่าเรื่องเรื่องทางนอกกับเรื่องกายเยอะนะการทรามหายินเรื่องการงานเกียรติยศชื่อเสียง แล้ว ก, การสนองตอบต่ออายันาตาของจมูกลิ้นกายในลักษณะที่เป็นวัตถุทั้งนั้นนะอย่างดีหน่อยก็คือมานั่งสมาธิวันละสิบนาทียี่สินาทีก่อนนอนหรือตื่นเช้าขึ้นมาให้เขาแค่นั้นแหละอย่างมากก็ไม่เกินชั่วโมง น, นนะนั้นแล้วจะเห็นว่าเราไม่ค่อยอยุติธรรมต่อ กายกับใจของเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเวลาให้เขาเท่าๆกันนะหรือไม่เท่เท่าก็สองในสามหนึ่งในสามก็ยังดีนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หนึ่งในสามมาให้ความสําคัญทางกายถึงเก้าในสิบเลยอะ่นะดังนั้นเปลี่ยนซะใหม่ถ้าเรามาเจริญสตินะเราจะเห็นความสําคัญของชีวิตนะพอเห็นความของสำคัญของชีวิตโอ้ชีวิตมันต้องมาหาศาลเหลือเกินเราสร้างไ อ, ร อ, บบอร้ระบท หุ่นยนต์สักร้อยตัวมันจะเท่าชีวิตของเราตัวเดียวไหมเราสร้างคอมพิวเตอร์สักร้อยเครื่องเนี่ยมันจะทำงานได้เหมือนชีวิตนี้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยรูปน้ยามนี้แต่เราได้ใช้ของวิเศษนี้ได้คุ้มค่าไหมเราใช้ของวิเศษนี้ได้ได้เหมาะสมกับความที่มันยากไหมที่เราจำได้วันก่อนที่ หลวงพ่อเทียนหรืออาจารย์สุพีที่บอกว่าคนเราแต่ละคนที่จะเกิดมาได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะฮะท่านบอกว่าเหมือนกันมีเ ต, าต่าตัวหนึ่งเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในทะเลใช่ไหมร้อยปีมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำครั้งหนึ่งและในกลางทะเลนั้นมันมีห่วงยางอยู่ห่วงหนึ่งถ้ามันโผล่ขึ้นมาร้อยปีหัวมันไปโผล่ตรงไอ้ห่วงยางตัวนั้นนะนั่นหมายความมนุษย์ได้เกิดคนหนึ่งเออเป็นอุปมาที่น่าคิดนะทําไมมันยากขนาด น, นั้นน่ะแต่ว่า แต่และคนได้ชีวิตมาแล้วมันยากแต่เราก็ใช้ชีวิตไม่สงมที่มันยากนะแต่ถ้าหากว่าไม่มาเจริญปัญญาตามหลักพุทธศาสนาไม่มาเจริญวิปัสนาตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยการที่เราจะเห็นคุณค่าของชีวิตและพัฒนาชีวิตเนี่มีคุณค่าอย่างาสูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคุณจะมีสติปัญญาการศึกษาสูงขนาดไหนก็ตามนะ ถ้าไม่เข้ามาสู่หลักของวิปัสสนามันจะไม่เห็นจุด น, นี้เพราะคนที่ทําวิปัสสนาตั้งแต่รูปนามเป็นต้นไปเนี่ยอย่าลืมนะคําว่ารูปนามถ้าเปรียบในยานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มันคือปุเพนิวาสานุสติยานนะมันคือปุเพนิวาสานุสติยานคือได้เห็นย้อนเห็นในความผิดพลาดของตัวเองในอดีตว่าตัวเองที่มันทุกข์ระหกระหืนหรือไม่สบายทุกวันนี้เพราะอะไรเริ่มย้อนไปเห็นความผิดพลาดต่างๆ ในอดีตไม่ต้องว่าย้อนไปหลายภพหลายชาติอ่ะไอ้แค่ว่าเราเกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยถ้าเราพิจารณากันรายวันจนถึงปัจจุบันเนี่ยพอจะลึกอ อ, ออกไหมวันไหนเราทําดียังไงทําช่วยยังไงงถูกเอามาไม่ได้คิดว่าอธิษฐางเลยปเุเพนิวาสานุสิติยานตามในคมภีนนะพระพุทธเจ้าลึกชาติย้อนหลังไปจนหลายร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างยิ่งวิวัตกับสังวัติกับ มาบริคิดเลยไปขนาดนั้นนะเอาแค่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนจําความได้มาถึงปัจจุบันต้องระ ล, ลึกดูด้วยว่าเหตุการณ์ในชีวิตอย่าว่ารายวันเลยเดือนต่อเดือนก็ยังนึกไม่ค่อยออกนะว่าปีต่อปีก็ยังนึกไม่ค่อยได้ใช่ไหมอย่าพูดถึงเรื่องชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีนี่มันให้นึกถึงหลวงพ่อจุคุณประยุทธ์ท่านบอกว่าอดี ต, ตชาติคือนับ วินาทีแรกที่ด้ผ่านมาย้อนไปอนาคตวินาทีต่อไปที่จะไปถึงเนี่ยเอาแค่นี้พออดีอนาคตไม่ต้องไปลึกชาดไปไกอ่ะดังนั้นถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันดึงกายกับใจมาไว้ด้วยกันที่เราพูดกันทุกวันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมเพียงแต่ให้มีความรู้สึกตัวชัดๆต่อการเคลื่อนการไว้การไปการมาเนี่ย แค่นั้นเองเนะีแล้วตัวนี้มันจะเกิดเป็นพลังตัวรู้ขึ้นมาและพลังตัวรู้ที่มันจะไปทะลุทะลวงถึงกลนบึ้งของจิตที่มันสั่งสมอะไรเยอะแยะที่เรียกว่าจิตใร้สํานึกหรือเรีย ก, ยกพวังค์ค่ะจิตวิสับคอนชีส์นี่เราใช้กันนะฮนะแล้วไอ้ตัวกล่องดำของชีวิตเนี่ยคือไอ้จิตใต้สํานึกตรงนี้มันได้เก็บบันทึกเอาไว้หมดที่ว่ามันกล่องดำในเครื่องบินว่าเราคิดอะไรไว้ตัวนั้นนะคืออดีตของเราอ่ะ แล้วเมื่อเราจเจริญสติความรู้อันนี้ความรู้อันนี้มันเหมือนตัวแสงสว่างหรือเอกเลย์ที่จะเข้มขึ้นเรื่อยๆจากแสงธรรมดาเนี่ยจนกระทั่งว่ามันเข้มขึ้นไปปลาดเข้าไปในหลุมดำของชีวิตของเราแล้วสิ่งที่เราได้สั่งสมมาตลอดชีวิตเนี่ยมันได้เก็บข้อมูลมันเห็นหมดนั้นบอกเออพระพุทเจ้าทนั้นที่จะรู้ เราก็ไปยกให้ประโยชน์ให้ผู้ริจ้าหมดใช่ไหมไปยกประโยชน์ให้พระอรหันต์หมดแล้วเราอะต่างจับท่านตรงไหนท่าสี่ต่างกับท่านัหมไ ม, ไม่ต่างขันห้าต่างจับท่านไหมไ ม, ไม่ต่างแล้วทำไมทำไมทาอย่างท่านไม่ได้เพราะเราได้คอนเซปต์มาผิดผิด s ิส o n c e p t i ั n ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเราต้องเปิดประตูสมาธิให้ได้ right view right understanding เนี่ยให้ได้แล้วนาไปสู่ที่ Right conception, Right Speech, r i ไ h t Action ไปมันจะต้องเปิดตัวนี้ให้ได้เสก่อนไอไ h ว Right u n d e r s t a เนี่ยเพราะนั้นไอส ม, มาริที่ว่าเนี่ยซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนแล้วว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสองประการใช่ไหมจำได้ไหมว่ า, าการที่เราจะได้ส ม, มาธิอย่างถูกต้องต้องอ์ประกอบหมอเจจังจำได้เน อ่าประตโคสะก็อยู่นิสวงนาศิกาลคาว่าประตโลโคสะก็หมายถึงกิรณยมิตรกยานิสหายและกระิริยานิสภาวะตาใช่ไหมให้ระลึกถึงองค์สองอสองประกอบนี้เสมอให้ย้อนกลับคืนไปทบทวนกลับคืนไปทีนี้ในตัวสัมมาทิฏฐิ definition ของเขาก็คือตัวอริยสัจสี่นั่นเองใช่ไหมแล้วในอริยสัจสี่นั้นที่กล่าวไปเมื่อคืนเมื่อย่อแล้วเหลือสองคือ รูปกับนามนะเมื่อเราเจริญสติ เ, เจริญสมถะก็ดีเจริญวิปัสนาคําว่ามักหมายถึงตัวสมถาวิปัสนานะเมื่อ เ, เจริญมักคือเจริญสมถาวิปัสนาแล้วเพื่อจะกลับมารู้รูปกับน้ำรูปกับนามรู้อะไรรู้ตรงไหนเรารู้ได้ไงว่าเรามีรูปอะไรบอกให้เรารู้ว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเรารู้ได้ไงว่าเรามีรูปอะไรบอกเราความรู้สึก อยา่ยาพิปุดคือเวทนาใช่ไหมเวทนาบอกเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงสบายไม่สบายง่วงหรือไม่ง่วงเนี่ยเราเราเ ร, า ร, าราู้แล้วเอาสติเข้าไปจัดการท่านได้ใช้วิญญาณวิญญาณตรงไหนอ่ะที่รู้สึกเอา้าก็ตัวรู้สึก <eking S 1> <sponsored you. S 2> ตัวคําว่าวิญญาณมันรวมในขันห้ารวมเข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าจะหยิบจะยกมาทุกตัวเวลาพูดมันฟั่นเฟือไงแต่มันทํางานร่วมกันเป็นบูรณาการ ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรายกตัวใดตัวหนึ่งมาพูดก็หมายถึงอีสี่ตัวนั้นด้วยแต่ท่านแยกเอาไว้เหมือนกับว่ามืออย่างเงี้ยไม่ต้องบอกว่านิว้วโคนนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยไม่ต้องมือก็คือทำงานร่วมกันอยู่แล้วนี่คือเป็นสมมติภาษาบางทีถ้าแยกรายละเอียดมากไปมันฟันเฟื่อนะตอ น, นั้นในเวลาในเจริญสติในคาว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ย ดังได้กล่าวแล้วว่าตัวรู้สึกตัวก็คือมาจากจิตวิญญาณนั่นแหละเพราะจิตวิญญาณนั้นถ้าหากว่ามันทาหน้าที่ทางด้านที่เป็นสมาธิมันมีใครเป็นตัวนำถ้าสมาธิเกิดหมายความว่ามันมีใครเป็นตัวนำให้เกิดวิชาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าวิชานำมันกลายเป็นในทันทีมิฉาทิฏฐิทันทีใช่ไหย เพราะนั้นพอมาสร้างตัววิชาวิชาตัวนั้นก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ทีนี้ไอตัววไอตัววิชาหรืออวิชามันจะแทรกตัวไหนในสี่ตัวเนี่ยแต่แน่นอนรูปไม่ต้องพูดถึงรูปมันแทรกไม่ได้เพราะรูปมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันคือท่อนไม้ท่อนฟืนนี่นะมันเข้าตรงไหนนะความรู้สึกตัวคือวิชาความไม่รู้สึกตัวคืออวิชาี่ย ในขันห้าเนี่ยมันมันเข้าตรงไหนเ ข, ข้าตรงเวทนาพราะเวทนาเป็นสะพานเนี่ยมาถึงจะบอกตอนเช้าเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องเวทนาเพราะเป็นตัวสําคัญมากรู้ไหมว่าพระหันที่บรรลุธรรมพร้อมด้วยอภิญยาแล้วมีปัญญามากที่สุดในพุทธศาสนาท่านแหละภาษาลิบุตรใช่ไหมแล้วท่านได้บรรลุธรรมพ่อฟังธรรมชื่อเวทนาบริหารสูตร ขอเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งนะว่าพระสาลยุตทหลังจากที่ได้ฟังท่านพระอาชาชีพบพระอาชาชีตอนนั้นได้เป็นชาวบ้านอยู่นะชื่อว่าอุปติสาใช่ไหมที่ตามหลังไปก็พบอันพระอาชาชีบินท บ, บทัตรเอ๊ะพระสมณะลูกนี้เรียบร้อยเลยเกินไม่เหมือนสมณรูปอื่นไม่เหมือนสมณะในที่อื่นก็ตามไป เพือต่างบรรลไปเจอเพือเจอแล้วก็มีโอกาสได้สุนทนากันมันก็ถามว่าท่านมาจากสํานักของใครเป็นลูกศิษย์ของใครท่านบรรลุทำอะไรเห็นทำอะไรแล้วท่านจึงมาสมาทานในวิธีการอันนี้รู้ท่านเรียบร้อยดีอ้อเราเป็นผ้าใหม่นะท่านถามปัญหาหลายเรื่องเราคงให้รายละเอียดท่านม่ได้เราโอ้ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายไปเยอะนะเอาสั้นๆก็ได้ว่างั้นนะอ่าท่าสั้นก็แล้ว่ า, านละจะเชื่อว่า จำได้ไหมคาถาตรงนี้เยธรรมาเหตุปวารใช่ไหมเยธรรมาเหตุปวารเตสั่งเหตุนทาาัคโตเตสั่งจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหสิสมนุนแค่เนี้ยเก็งเลย<ม>เป็นพระสุดลานอันนี้ของปัจจุบันว่าจะกหมื่นรอบก็ยังไม่เป็นไปไม่ได้นะมันต่างกันตรงไหนอ่ะบอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุใช่ไหม เราจะทําสิ่งนั้นให้ดีก็ทําที่เหตุเราจะทําสิ่งนั้นไม่ดีก็ทําที่เหตุเราจะให้สิ่งนั้นพ้นไปดับไปก็ดับที่เหตุอาจารย์ของเราพูดอย่างนี้เป็นประจำว่างั้นนหะตัดอย่างนี้บ่อยๆเอวังวัธีมหาสมโนโอใช่ไม่ใช่ว่าท่านจะฟังเรารู้ทันเพราะก่อนที่ท่านจะมาฟังคํานี้เนี่ยท่านได้ผ่านการศึกษาจากสํานักต่างๆแสวงหายอย่างพวกเราเนี่ย อาจานโน่นบางไปสำนักนนเวียนหมดแหละมีพื้นฐานพวกนี้เป็นอย่างดีแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเหมือนตรงนี้พอฟังนี่อ๋อเหตุ น, นะเหตุปัจจัยรู้จักเหตุทีนี้ไอเหตุที่ทำให้เกิดวิชาอาวิชาเนี่ยที่ที่จะมาลมในเวทนาเนี่ยตรงไหนนะเวทนาเป็นเหตุเวทนาเป็นปัจจัยที่ให้เกิดแต่นั้นระหว่างรูป สัญญาสังขารวิญญาณจะเวิร์กได้เมื่อมีสะพานเชื่อมต่อหรือว่าคนะัดเอาชนคือเวทนาตัวนั้นถ้าเอาคัดเอาลงก็หมายควาเวทนานดับก็เอาขึ้นไฟกับหลอดต้งเชื่อมกันได้อ่าเพราะฉะนั้นตัวเวทนาเอาเวทนามีสองอย่างเวทนาทางกายเรียกว่ากายเวทนาใช่ไถ้าเวทนาทางจิตเรียกว่าจิตเตวเวทนา ซึ่งได้สวดมาวันก่อนว่าในส่วนกายเวทนาเวทนาทางกายเนี่ยมันจะออกมากี่อาการปัจจุบันเนี่ยตรวจตรวจสอบตัวเองขณะนี้รู้สึกสบายหรือไม่สบายถ้าไม่สบายเรียกว่าทุกขเวทนาถ้ารู้สึกเบาเรียกว่าสุขเวทนารู้สึกไม่แน่ว่ามันจะเป็นสุขเป็นทุกขเรีย ก, ว, ก ว, ว่าอาทุกขมสุขเวทนาเพราะฉะนั้นคำว่าอาทุกขมาสุขเวทนาก็เปกขาเนี่ยคนละอย่างนะ บางคนก็บอกอุปเกขาวเวทนาก็มีนะแต่ความจริงไม่ใช่อทุกข์ามสุขคือมันยังไม่แน่คือจะว่าทุกข์มันก็ยังไม่เข้มจะว่าสุขมันก็ไม่ใช่นะก็เรียกว่าอทุกขมสุขอะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เอามาจึงตอกย้ำอยู่เสมอว่าขณะนี้รู้สึกอย่างไรขณะนี้รู้สึกไงให้ตอกย้ำให้เห็นเวทนาเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรถ้าเวทนาทางกายต้องเปลี่ยนไ ป, ไปตามกุฎอะไรเสมอใจรักอ่า แล้วทําไตรักษทั้งสามเนี่ยให้เป็นตัวระลึกตัวจดจําตัวระลึกรู้เสมอให้เป็นตัวสัญญาที่กล่าวมาเมื่อวานนะใช่ไหมให้ระลึกเห็นว่าอันนี้คือที่ตั้งของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราให้ทําสัญญาอย่างนี้เสมอให้เจริญสัญญาตรงนี้เสม อ, อมเห็นอาการเมื่อไรก็เห็นได้ทุกขังอนิจจังอนัตตาเมื่อเราระลึกตรงนี้ได้เสมอเห็นตรงนี้ชัด แล้วก็เข้าไปบําบัดแก้ไขในส่วนที่ทนไม่ได้ในส่วนที่ไหนทนได้สบายก็ไม่เพลินแต่ในส่วนไหนที่มันไม่ชัดก็เลืกเรื่องรู้ให้ชัดเลือกเรื่องรู้อย่างนี้แหละแต่มันบ่อยกว่าที่ไม่เคยเป็นคนไหนเลือ ก, กได้ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นตขึ้นไปรู้จักรู้จั ก, จากนามนะตามความเป็นจริงวันหนึ่งได้เลือกได้เท่าไหร่ในสัญญาทั้งสามเนี่ยแต่ไม่ต้องว่านี่จะรู้ขันงระเลืกอล ก, ลกว่ามันสบายหรือไม่สบายแค่นั้นเองอะ่ะแล้วเวลาไม่สบายเป็นยังไง เวลาสบายไป็นยังไงอันนี้ทางกายก่อนนะทําทางกายให้มันเกิดทักษะบ่อยๆก่อนเพราะอะไรมันหยาบมันเห็นง่ายแต่ส่วนใหญ่โอ้มันง่ายเกินไปทางใจไปดูาทางกายไปดูจิตเลยพอทั้งสามอย่างเนี่ยสุขเวทนาถ้ารู้สึกสบายใจเป็นงไงพอใหญ่ใช่ไหมเป็นเวทนาในจิตละถ้ารู้สึกร่างกายหนักเน็บ ไม่สบายใจก็ <ใจ S 2> เป็นยังไงไม่สบายเป็นทุกขเวทนาทางจิต แ, แล้วรู้สึกกึงกลางกลางๆนี้ไม่แน่ก็เป็นอทุกขมสุกเวทานาเราจะใช้คําว่า<จ><ม>พอใจไม่พอใจเฉยเฉยถ้าเป็นอาการของจิตใช่ไหมแต่ถ้าหากเว็นอาการของกายกา็สุขทุกขชื่อเฉยเฉยกลางกลางเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันจะเชื่อมต่อถึงกันก็มีเวทนาเป็นตัวบอก เราจะทำอย่างไรเมื่อรู้สึกสบายก็ไม่รู้สึกพอใจรู้สึกดูเห็นความไม่สบายความสบายกายเป็นอย่างนี้การที่เราเห็นว่าความสบายกลายเป็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าไปเพลินในเวทนาตรงนี้คือตัวสติปัญญาแล้วนะแต่ถ้าสมมติเราไม่เจริญความรู้สึกตัวตัวสังเกตนี้ให้ให้ช่ำชองหรือให้บ่อยเนี่ยไอตัวลึกลึกนี้มันจะเกิดขึ้นไหม ไม่เกิดแต่อะไรมาเจอขึ้นมาแท น, นจจอวิชาาวชาคือความหลงลืมกา ร, รเฝอการหลงลืมที่จะดูอาการอย่างเงี้ยเวลาไม่สบายคือเวลาไม่ร่างกายไม่สบายโอ้นั่งนานเป็นชั่วโมงปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดเอวเบื่อเซ็งอะไรเข้าแล้วอวิชชาเข้าแล้วใช่ไหมแต่หันกลับเข้าไปดูออมันไม่สบายไม่สบายทนได้ไหมทนไม่ได้ทนไม่ได้ทําไงเปล่าธาตุสี ดิน้ำมันไฟขยับนิดหน่อยปรับยังก็ได้ที่ไม่เสียกิเลสมากเกินไปแต่ถ้าว่ามันรู้สึกไม่สบายแล้วขาดสติด้วยแพลนละเกิดอะไรเกิดนํามารูปแล้วใช่ไหมอ่าฉันจะหาทางออกไปทางไหนดีไปเข้าห้องน้ําไปเดินเล่นนอกนอกหรือไปนั่งดื่มน้ําหรือไปนั่งคุยกันก็แล้วมันจะแพลนขึ้นมาก็แล้วกันแต่ก็แวะไปกับมันอวิชชาก็สร้างสังขารวิญญาณนํามวรูปขึ้นมาแล้วทันไหมสติทันไหม จนไปรู้ไปถึงเวทนาเราก็ยังไม่ทันเลยไอ้แต่มันผ่านถึงเจ็ดชวนาจิตแล้วก็ยังไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้สร้างตัวรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่มาสร้างตอนที่นั่งเท่านั้นนะ่ะมันต้องทีขนาดให้ทุกๆุกเรียบทพยายามให้มากที่สุดแต่ไม่ใช่ทีแบบตั้งใจที่จะดูขึ้นไปไม่ใช่อันนั้นก็จะเป็นอุปทานเป็นความอยากอีกต่างหากแล้กรรมฐ า, าน อ, าอื่นๆที่ก็ทํากันน่ะโอ้เก็บความรู้สึกทุกระยะเลยนะ ถามว่ามันเป็นปกติธรรมชาติไหมไม่เป็นทํ <c oughs> าไปนานๆรู้สึกเป็นไงเกรงใช่ไหมเกรงแล้วก็เครียดแล้วก็ตึงโดยที่ไม่รู้สึกเลยแต่ความตั้งใจเราทําดีใช่ไหมเพื่อจะให้รู้สึกตัวแต่ผลออกมาเป็นไงนั่นคือเราทําด้วยอํานาจของอะไรตัวความอยากคิดตั้หาอุปทานไปยึดความรู้สึกเป็นตัวตรงนี้เห็นไหมมันมันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาเลย แต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกแล้วนี่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่เข้าไปรับรู้มันให้ชัดขึ้นชัดขึ้นคำว่าชัดกับเพ่งเนี่ยต่างกันลึกเหมือนกั น, น, กนถ้าว่าชัดเนี่ยในภาษาบาลีที่เราสึนมาก่อนไปว่าประชานาติใช่ไหมแต่ถ้าเพ่งท่านใช้คำว่าอะไรฌานใช่ไหมชายตเิเพ่งเพ่งเผา อะไรที่เราสวดเมื่อวานนะ <c oughs> ที่เราสวดเมื่อใดพามทั้งหลายมีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่ใช่เมื่อนั้นเหล่านั้นทำนั้นย่มอมหายสงสัยที่ว่าอะไรนะยะาหาเวปาทุพวันติที่เราสวด น, นะเป็นอุทานครั้งแรกเขาเรียกว่าถมอุทานคาถาตรงนี้ ชาพุทธจำได้ดียะธาฮ า, าเวปาตุะวันติธรรมมาอาตาปิโนอาตาปีเดินนะแปลว่าเพ่งเผาแปลวเพ่งอาตาปีอ า, อาตาอาตาปิโนชายะตูอ่าไม่ใช่ดิชายะดูเดนะินนั่นเพ่งเผาชายะดูพระมโนสัเมื่อใด <c oughs> ทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมรู้ ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอุทานเขาว่าพรามในนั้นคือผู้ปฏิบัติแต่เ่อไหไม่ได้หมายถึงความนั้นนะดังนั้นเมื่อเราเฮ้งมันก็เป็นไปด้วยอํานาจของความอยากคืออยากจะให้มันชัดนะแล้วก็ไปยึดว่าให้มันชัดอยู่อย่างนี้นะต่านเอาอุทานเข้าแล้วแต่ถ้ามันชัดก็คือรู้เฉยเฉยรู้ให้ชัดชัด รู้แล้วก็แล้วไปแล้วก็รู้ใหม่อีกไม่ต้องไปรักษามันว่าจะต้องชัดตลอดชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะคาว่ารู้มันก็มีเกิดมีดับใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติรักษาให้มันรู้ตลอดอะ่ะมันมีแต่เกิดแต่ไม่ดับใช่ไหมมันมันผิดธรรมาชาติตรงนั้นรู้บ้างหลงบ้างลืมบ้างสลับกันไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้คือหลักมัชชิมาปฏิภาหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นเขียนเท่าไหร่ลบเท่านั้นคิดเท่าไหร่รู้ ลบทอนที่พูดมาเมื่อคือนนะ่ะตัวนั้นคือหลักมชิมาปฏิวทฒที่เป็นพลัตติโกนะหลงลืมรู้ลึกรู้สึกและเรื่องใหม่การต้นใหม่เสมอหลงเท่าไหร่ลืมเท่านั้นตัวถ้าไม่มีตัวหลงตัวรู้จะเกิดไหมไม่มีตัวหลงลืมตัวรู้ก็ไม่เกิดเพราะนั้นมันหลงลืมมันดีแล้วเพื่อจะให้เกิดตัวรู้อ่าอันนี้คือหลักของมัน ดังนั่นเวลากำหนดรู้ถ้าจะรู้โดยตลอดไม่ให้มันลืมเลยอ่ามันสุดตรงล้วถ้าจะให้มันหลงตลอดไม่ยอมรู้เลยก็สุดตรงอีกขั้วหนึ่งจะรู้ตลอดไม่ให้มันหลงเลยก็สุดดรงอีกขั้นหนึ่งถ้ารู้บ้างหลงบ้างลืมบ้า ง, างรู้บ้างสลับกันไปเป็ น, ปนกับเป็นมัชิมาปฏิปทาอันนี้หลักการมัชิมาแบบวัตมานะอันเป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อพี่สูต แล้วเราจะเห็นว่าองค์มันมีการเกิดมีการดับถ้าเกิดตลอดก็ไม่ใช่ดับตลอดก็ไม่ใช่ก็มีการเกิดดับเกิดดับมันถึงจะใช่แต่เราเข้าไปเห็นขบวนการของมันนะเพระนั้นเวทนาเนี่ยมันจ ะ, ะสร้างบุคลิกของเราถ้าคนไหนเป็นทุกขเวทนาก็จะแช่อยู่ในบุคลิกอั น, นั้นบุคลิกนั้นก็จะไม่สวยแต่ถ้าคนที่รู้เท่าทันเวทนาก็จะปรับบุคลิกให้น่าดูน่าชมอ่ามันมีผลต่อชีวิตจริงของเราด้วยนะ เพราะนั้นเวทนาจึงมีผลทุกขกระเบียดนิ้วของชีวิตแต่เรารู้ท ooth ันมันไหมตรงนี้มาตรงบอกโหพุทธเจ้านี่สอนสิ่งที่ว่าคนทั่วไปคิดไม่ถึงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องลึกไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เป็นเรื่องที่คนคิดไม่ถึงเท่านั้นเองว่าจะจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถึงขนาดนั้นนะ่ะดังนั้นเองมากวรจะรับวิธีการของพระเทีนได้ไม่ใช่มานั่งยกมือวันเดียวแบบโยมนะ เป็นปีอ่ะกจะไม่ยกมือได้เพราะอะไรเมื่อก่อนเราทำแบบสนโมกว่าแน่แล้วใช่ไมามาทำของหลวงพ่อเทพสิทธิ์วัดมาธาตาุก็ว่ ด, ดังแล้วใช่ไหมเราก็ทำเต็มที่เลยหลวงพ่อเทียนเป็นใครเป็นหลวงตาธรรมดาเราททำไมเาไปฟอลโล่งง่ายๆมันก็มีอัตาของมันเลยแต่ช่วงหนึ่งนะช่วงปีสองสองเนี่ยโเป็นปีที่วิกฤตมากนะเพราะอยู่วัดประยุนวัดใหญ่เนาะ บาลีก็ต้องเรียนนักธรรมก็ต้องสอนพุทธศาสนากท็ที่ต้องสอนมหาจุลาก็ต้องเรียนงานกินนีมลูลเพลมันยุ่งไปหมดแล้วการปฏิบัติอมาชอบที่ท่นั่งสมาธิมาก่อนนะแบบนับลมหายใจเนี่ยมันมันมันวุ่นไปหมดเลยหัวหมุนติ้วติ้ ว, วเลยทีนี้ก็เลยพอไปพบหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกอย่างที่มาบอกยกมือสั่งจังหวะเอออะไรก็มาทานอะไรยกมือสั่งจังหวะ ท่านก็บอกเราเราก็ไปเดินของเราเดินแบบหนอนนะนะท่านก็ไปทักเออเดินเดินทำไมเดินช้าทําไมไม่เดินปกติอ่ะเอเดินช้าไม่ได้ความรู้สึกดีหลวงพ่อเอาเวลาคุณเดินไปนู่นไปนี่คุณเดินช้าอย่างนี้อย่างงี้เหลอแล้วคุณไปที่นั่นไปกินน้ำไปเข้าห้องน้ําคุณเดินแบบนี้หรือเปล่าเออเราชักสะกิดใจแล้วเไม่หลวพ่อก็เดินเอาทําไมไม่เดินแบบนั้นนะเออคือถ้าเดินให้มันต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติของเรา เราก็จะไปเก็บความจริงไม่ได้ในช่วงไหนปฏิบัติก็ตั้งท่าตั้งทีมีพิธีดีรองอย่างนี้นะในช่วงไหนไม่ปฏิบัติก็ปล่อยหมดเลยอันนี้เรื่องสุดโต่งเอาก็เอาใช้เต็มที่ไม่เอาก็ทิ้งเลยมันขัดมัชฌิมาปฏิปทาเลหลายหลายอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านเตือนนะทีนี้พอนั่งก็นั่งไปนั่งมาสร้างจิตวิสาพาก็หลับเข้าสมาธิต่อใหเป็นอย่างนั้น ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งนะในเมื่อม น, นุษย์มันพุ่นเลยเกินในหัวตอนนั้นจะสอบชุดครูพรมด้วยนะเอามาก็หือหนังสือไปด้วยไปหลังวัสนามรมในที่ดาบุตติหลังวัฒนามในเป็นสวนทุเรียนใช่ไหมมันเคยมีกระต๊อมของชาวบ้านในสวนนะ่ะเราก็หอบหนังสือไปนั่งอ่านในกระต่อบหลบนะกลัวพระท่านเห็นเอ๊ะเป็นพระมาปฏิบัติทําไมไปอ่านหนังสือก็จะว่าได้ใช่ไหม เ, เราก็ไปนั่งอ่านอ่านไปเอามาก็ยังมุนเติ้วเตียวเอ๊ะทำไงดีมันปวดหัวเลย ก็เลเ่ลงๆนัง่งยกมือสร้างจังหวะอย่างที่ท่านว่าโดยเป็นอย่างจจช่วยได้ไหม ย, ยกมือเป็นจังหวะแทชั ด, ชดประมาณสักสี่หนาทีเนี่ยไอสิ่งที่หมุนทิน้งๆในหัวมันมันโล่งไปหมดเลยมันหายวุ้บไปเลยเออเสียแล้วก็เลยพเพลินต่อการนั่งทําตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการสร้างจังหวะถึงเริ่มต้นถ้ามันไม่มีเหตุวิกฤตจริงๆมันไม่เอาอะดูอาัตราของเรามันขนาดไหน นะเพราะฉะนั้นเรื่องอัตตนี่ร้ายกาจที่สุดเลยมันมันสามารถคนเราที่เจ็บที่ป่วยที่เป็นที่ตายมาว่าเพราะอัตตาตัวเดียวแต่ว่าเป็นอัตตาแบบมิจฉาทิฐิถ้าเป็นอัตตาแบบสมาริฐิมันก็เป็นโดยสร้างสรรค์แต่ถ้าถามว่าอัตตาแบบสมาริฐีมีได้เลยในขั้นสมมติมีนะเพราะสมาริฐิมันมีสองระดับใช่ไหมสมาริฐิระดับสมมุติเราต้องเลือกพ่อเลือกแม่เลือ ก, เ, อกเขาเลือกเราอยู่ใช่ไหม แต่ถ้าอัตตาที่เป็นสมาธิิเบื้องสูงแล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเรามีเขาแล้วมีอะไรมีท่าสี่ขันห้าใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นสมาธิเขาต้องแบ่งไปสองระ ด, บระดบรับระดับโลกียะกับระดับโลคุตละะบอกว่านี้เป็นผู้หญิงเราจะว่าเป็นผู้ชายไม่ได้นะผิดเ้านะเราเป็นยังไงก็ท่าสี่ขันห้าคุณรูปนามไปไหนเนี่ยโอ้เขาว่าเราเพีย้ยนไปลนะเนเออ แต่ว่าคุณโทนี่ไปไหนอนี่โอเคปกติใช่ไหมคุณรูปน้ําไปไหนวันนี้เห็น <c oughs> ไหมจะเอาสมมติมาใช้กับปรมัตดไม่ได้จะประมัด ต, ต้องปรมัตดเป็นเรื่องส่วนตัวแต่สมมติเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องสากลนะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวที่เราจะเข้าไปรู้เวทนาเนี่ย <c oughs> ต้องซักสองตัวรู้สึกตัวเนี่ยบ่อยๆ แต่ถา้าความรู้สึกตัวสติสมญาเราไม่พอที่จะไปรู้เวทนาให้ชัดเจนต่อเนื่องเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะตลอดชีวิตของเราเวทนามมารับใช้ใครรับใช้อวิชชาใช่ไหมแต่เราเรียกมันว่าความเคยชินนะรับใช้ความเคยชินเพราะความเคยชินเทียภาษาพระกะเ็เรียกอาสวะนั่นเองมันรับใช้ความเคยชินมาตลอดทีนี้เราเพิ่งมาสร้างความรู้สึกตัวที่เป็นวิชา แต่ถ้าความรู้สึกตัวนี้ยังไม่เข้มแข็งพอระดับรูปนามก็จะไปเข้าดูเวทนาอย่างต่อเนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะความถี่มันไม่พอความถี่ของอวิชชาที่มันสั่งสมมาตลอดชีวิตเนี่ยมันสูงกว่าแต่เพิ่งเรามาเพิ่งสะสมความถี่สติไม่กี่วันเนี่ยจะให้มันไปไปสมดุลด้วยมันเป็นไปไม่ได้แต่มีทางหนึ่งคือพยายามอ่า พยายามอยู่เงี้ยพยายามให้มากพยายามให้บ่อยรู้ให้มากรู้ให้บ่อยถ้าหากเราเจาะเราเน้นจุดนี้ให้ชัดๆนะวิธากวิธีการอื่นที่เราลังเลยมันก็จะมารวมกันที่นี่ทั้งหมดนะดังนั้นเองพอมาจับหลักได้อย่างนี้ก็โอ้โหลุยเลยที่นี่แต่ว่าอันนี้ใส่ที่มันเอาจริงเอาจังเกินไปนะพอเข้าใจรูปนาำโอ้โหเดินตั้งแต่ตีสยันตั้งแต่สองทุ่มยันตีสทําอยู่สามคืนไม่นอนเลยนะ ลำดับดูว่าชั่วโมงที่หนึ่งสองทุ่มเปไงสามทุ่มเปไงสี่ทุ่มดูอาการของจิตดูอาการของกายดูไปถึงประมาณตีหนึ่งมันง่วงสุดๆแล้วเดินหัวสุกหัวเ ส, วสเลยนะระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงนะซึ่งเป็นช่วงที่เราหลับใช่ไหมแต่ว่าเราเนื่องจากว่าเราต้องการพิสูจน์ว่าอะไรไปเลยเดินได้อยู่กลางคืนคือกลางวันเนี่ยมันไม่สงบใช่ไหมกลางคืนไม่มีใครเนี่ยเราก็เดินอยู่คนเดียวปรากฏว่าพอเช้า ว, วันที่สามเนี่ย เกิดเรื่องเลยต้นไม้ไวสนามในเนี่ยนะมันพลิกเอาลากขึ้นเอาปลายลง <c oughs> ดูทีนี้ก็เราชี้ให้พระอุ่นเอาดูดูนี่ต้นไม้ทําไมมันเอาลากขึ้นโ <c oughs> อภาสจะบอกองค์ น, นี้เพี้ยนแล้วนะอาจารย์ทำล้นดังนะั้นไปเจอวัดนะก็จับแขนนัตมาไปหาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเดินมาแก้อดมให้เพออราะอล้วเพราะเวลาเราตั้งใจมากคือเราอาเรวประสาสกลับเนาะ าาเพราะฉะนั้นเรื่องกาไมิควออาจารย์มันจำเป็นตรงนั้นเพราะเราทำอะไรใหม่ใหม่ทำด้วยความอยากบางทีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปตรงนี้คือกระเดานี่สำคัญนะเพราะนั้นในตัวการเจริญสติเนี่ยท่านทุกคนต้องผ่านไอ้ความที่ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าที่ตัดเอาไว้ว่าในธรรมจักรใช่ไมคนเรามกากทีตรงซ้ายบางตรงขวาบ้างตรงซ้ายเรียกว่าอะไรกลาง ลิขินุกาโนโยตรงขวาเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานโยท่านบอกสองทางนี้ไม่ใช่จริงจังเกินไปก็ไม่ดีเล่นเกินไปก็ไม่ดีให้เล่นบางชิงบางรู้บางหลงบางก็มาเป็นตัวอะไรมัชชิมาปฏิปาทามันก็มาตรงหลักธรรมชาติที่ว่ามีการเกิดและการดับใช่ไหมอไอ้การเกิดการดับก็คือตัวตัวนี้แม้แต่เดินก้าวเนี่ยมามาดูให้รายละเอียดเลยนะ ไม่จะขึ้นจะก้าวถ้าคุณไม่หยุดคุณก็ก้าวข้างหน้าไม่ได้ถ้าคุณก้าวแล้วคุณต้องหยุดหยุดเหมือนการดับการเดินเหมือนกันเกิดมันเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมาจับความรู้สึกให้สบายๆ <c oughs> ชัดๆหลงช่างมันมันเป็นธรรมชาติของมันหลวงรู้ใหม่ประการสําคัญในให้รู้ใหม่รู้บ่อยๆเนี่ยตรงนี้เป็นหลัก ถ้าสมมติอยาให้รู้อย่างเดียวไม่หลงเลยก็ผิดแต่หลงลืมอย่างเดียวไม่รู้เลยมันก็ทุกข์มันก็ผิดเหมือนกันตอนนั้นที่เราจเจริญสติบ่อยๆเพื่อให้มันทันกับตัวหลงเท่านั้นเองถ้าตัวหลงก็ตัวรู้สมดุลกันเมื่อใดสัญญาณแรกที่สุดคือรู้นากรู้รักอ่าทีนี้จะทำยังไงที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นของการรู้ให้ไหวขึ้นเลยสปิดตัวรู้จากยี่้าเอร์เแค่ยี่้าปอร์ซนี่ก็เป็นสมาธิถี่แล้วนะ ให้รู้เท่าทันต่อตัหลงยี่ห้าเปเ็นป็นสมาธิทีพอรู้เท่าทันหลงกับรู้ทันกันตอนแรกนี้หลงเจ็ดสิบห้ารู้แค่ยี่ิบห้าได้สมาธิทีแล้วต่อมาหลงห้าสิบรู้ห้าสิบขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วต่อมาหลงมันลดลงแล้วหลงยี่สิบห้าได้รู้เจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบขึ้นไปแล้วเราไปหลง หมดเหลือแต่รู้สิตัวเป็นอัตโนมัติร้อยเปอร์ซ็นต์เลยทีนี้มันจะลําดับท่านวางถึงสี่ขั้นอย่ไงแต่เรามาสมมุติเรื่องสวดาซีนาคาะคะอรหันนั่นแหละใช่ไหมคือท่านประหยัด ต, ตามตัวหลงกับตัวรู้เท่านั้นเองนะแต่ว่าหูสัท์บัญญัติมันใช้ยเยอะหลือเกินตับตําหลาแล้วก็หลงประเด็นปรเด็ต่างใช่ไ้มแต่ถ้าแปลว่าพูดภาษากันที่มันแพ a c t i c a l ที่เห็นชัดๆเป็นรูปทําชัดๆก็คืออย่างนี้แหละนี่ประสบการณ์เกี่ยวกมานะ น, น, นั่นเองจึงไม่หลังเล่ที่จะมาสร้างตัวรู้ทีนี้ทีวยนี่รู้มันไปทุกเรื่องหลังจากเข้าใจนี้แล้วนะไม่หลังเล่ไม่ต้องไปบอกอมาเอมันจับวันนั้นให้รู้นะ่ะไม่ดองละมันลุยรู้เลยทีนี้มันสนุกแล้วทีเนี้ยิ่งรู้เท่าไหร่มันก็ยิ่งเพลิดยิ่งสนุกกลายเป็นชีวิตเลยทีนี้พอตัวรู้มันกลายเป็นชีวิตเราต้องพยายามไหมาทีนี้ต้องพยายามจะรู้อีกไหมไม่ต้องแล้วมันเป็นแล้ว เขาเรื่อระบบเมื่อวานระบบออโต้เขาเรียกว่าปรามัดใช่ไหมมันเป็นปรามัตดเพราะฉะนั้นจากรูปนามเนี่ยพอขึ้นไปขั้นสูงเราเรียกปรามัตอย่างไงเพราะฉะนั้นคนที่รู้รูปนามแล้วก็พยายามทำความเพียรไปเพื่อที่ให้จิตไปสัมผัสปรามัดปรามัดเบื้องต่ำปรามัดเบื้องสูงปรามัดเบื้องต่ำเรีว่าสมาธิถี่เบื้องต่ำคือสมมติที่ถมและปรามัดเบื้องสูงคือสมาธิถี่เบื้องสูงก็คือตัวเข้าไปรู้ขั้นตั้งแต่เจ็สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปตัวรู้ถึงเจ็ดสิบเป็นปรั์เซงสูงแล้ว ถ้าหากว่าตัวรู้อยู่ในขั้นยี 50, ่ห้าถึงห้าสิบถือว่าเป็นประมาณเบื้องตังอยู่นะอันนี้เป็นสัพพัญญาที่มาสร้างขึ้นนะอย่าสับสนดังนั้นเบื้องต้นที่สุดเรากลับมาที่เวทนาใหม่เพราะอะไรเพราะมันเป็นอาการที่ประจําเลยในชื่อจิตใจของเราใช่ไหมถ้ารู้เท่าทันเวทนาตัวเดียวเนี่ยอาการรู้เหล่านี้มันจะไปได้รดวดเร็วนะะ เวทนามีความสําคัญขนาดไหน <c oughs> ขอยกเหตุการณ์หลังจากที่พระสารีบุตรมาบวชแล้วเนี่ยะได้ถึงสิบกว่าวันทีนี้ผู้ที่เป็นลุงท่านคืออะไรชื่ออะไรนะหมอลุงของพระสารีบุตรชื่อทีฆานักข่ใช่ไหมอ่าทีฆานักข่ทีฆะาแปลว่ายาวนักข่าแปลว่าเล็บใช่ไหมชอบใบเล็บยาวทีฆานาักข ทีฆานาคอาคิเวสนโคตในตุกุลอาคิเวสะนะเนี่ยก็ตามมาหลานดิเอ๋หลานชายไปไหนตามบุในสุทนาธรรมก็เรื่อยเพราะลุงเป็นทีฆานาคก็เป็นเจ้าสํานักเนี่ยเป็นเจ้าสํานักบ้านเราเรียกเป็นหมอธรรมแล้วพท่านสาริวุปปิสสะก็เป็นคนอุ่์ชอบสวยเหาเจอกันในสุทนาธรรมบัดทีนี้ไม่เจอหลานสิมโกวันนะั้นตามหาให้ไปไหนถามข่าวถามไปธรรมานุ่นไปบวชกับสมัมนะโหตมะสักยบุตรก็ตามไป ในขณะ น, นั้นภาษารีบุตรท่านบวชได้สิบวนแล้วท่านก็หน้านน้นก็เป็นหน้านร้อนแล้วนะท่านถวายงานพัดอยู่โทษพระเจ้าอยู่ที่คณะข่าวก็เข้าไปกราบได้ข่าวว่าท่านหลานผมชื่ออุปฎิสัมมาบวชกับ ท, ท่านใช่ไหมใช่คือจำไม่ได้ไงพอบวชแล้วอ่ะนึกมันไม่คิดว่าจะบวชเร็วขนาด น, นั้นก็เอาท่านตั้งบติท่า น, าานหลานผมเป็นคนฉลาดนะทําไมไมายอมรับความสอนท่านสอนอยังไง ไม่ยอมรับคนสอนทานง่ายๆอั่างเงี้ที่เจ้าก็รู้ว่าเอ้ขาทีขันอาขาในภูทเจ้าสํานักก็เลยถามย้อนเอาแล้วท่านสอนอยังไงสํานักของท่านสอนอยังไงก็เห็นว่าลุงกะหลานคุยกันไปจําทําไมอันนี้มาบวชทางนี้แล้วท่านสอนเขาว่าไงอ๋อผมมือสิ่งไหนถูกใจสิ่งนั้นถูกต้องอสิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้องนะอันนี้อันนี้ผมสอนอย่างเงี้ยอันไหนที่ที่ถูกใจเนี่ยมันต้องถูกต้อง อ๋อพุทธเจ้ไปสักไซอา้าวถ้าสมมุติว่าคุณอถูกทําร้ายแล้วคุณรู้สึ ก, กโกรธใครคนหนึ่งแล้วคุณจะไปทํร้ายก็ตอบคุณว่ามันถูกใจคุณอ่ะการกระทำนี้ถูกหรือผิดไซไปเรื่อยๆทีละประเด็นประเด็นในที่สุดบอกอ๋ถ้าสิ่งไหนถูกต้องอย่างสมมุติว่าการบําเพ็ญตาบาเนี่ยมันขัดใจคุณนะแต่มันมันขัดใจแต่คุณก็ไม่อยากทำํำไอการขัดใจเนี่ยมันถูกหรือมันผิด เพราะการบำเพ็ญตะบะหรือการปฏิบัติธรรมมันเป็ฝืนความรู้สึกใช่ไหมมันไม่ถูกใจคุณหรืคุณว่ามันผิดไหมสักใบซักหมาช่างงงเราเดิมนี่ช่างงงบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเวทนาถ้าหากว่าสุขเวทนาคุณไปยึดเหมือนว่าถูกต้องถ้าคุณไปติดในกรรมของคุณทั้งหลายมันเป็นสุขเวทนาใช่ไหมแล้วมันถูกต้องไหมถามเพราะฉะนั้นสุขเวทนาตัวนี้เองมันเป็นเวทนาแต่เวทนานเมื่อคุณไปยึด ด้วยสุขเวทนากลายเป็นโลภะจริตกลายเป็นราคะจริตเพราะฉะนั้นรากเง้าของโลภะจริตราคะจิตมาจากสุขเวทนาพุทธิยศไซไว้เรื่อยเลยทีนี้เพราะฉะนั้นรากรู้รากของราคะกรมฉันทะโลภะจริตมาจากสุขเวทนาถ้าคุณไม่รู้เท่าทันสุขเวทนาคุณจะไปขจัดราคะโลภกรมฉันทะได้อย่างไรฉักดอกไม่ทันนะตอนนี้ งงนะเอาละทีนี้เกิดคุณปฏิฆะกับสิ่งที่คุณคุณทุกขเวทนาคุณเกิดไม่พอใจเนะี่ยไอ้ความไม่พอใจปฏิฆะต่ า, างๆความไม่ไม่พอใจไม่ถูกใจพกเพราะทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาพัฒนาตัวไปเป็นโทสัพัฒนาตัวเป็นปฏิฆะใช่พัฒนาเป็นพยาบาทัเพราะคุณไปยึดทุกขเวทนาเป็นตัวตรงเพราะฉะนั้นเป็นเวทนาแต่ไม่แต่มันก่อให้เกิดตัวเนี้ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นโทสะมูลราคะมูลโทสะมูลมาจากสุขเวทนาทุกขเวทนาที่บางครั้งคุณเฉยๆแต่คุณไม่รู้แม้แต่คุณเฉยๆคุณก็ไม่รู้มันก็พัฒนามาจากเวทนาที่เป็นอัตุขคมสุขเวทนาเพราะเขาไม่เข้าไปรู้แม้แต่ว่าขณะนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่เข้าไปรู้รชัดๆไอ้ตัวอทุขคมสุขพัฒนาตัวมาเป็นโมหะเห็นไหม ที่มาของราคาโทสะโมหะก็มาจากรูทคือสุขเวทนาทุกเวทนาอนทุกขมดสุขเวทนาสุนทนากันไปกันมาคนข้างหลังตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เลยนะแต่คนข้างหน้ากำลังถกเถียงกันอย่างเงี้ยปรากฏว่าเอาไปมาที่ ข, ขาาันะยอมโอ้ท่านถูกเพราะส่วนใหญ่ผมก็ปฏิบัติอย่างนี้มาตลอด แต่ว่าผมก็ไม่รู้ผมมัวสุขสุทุก ๆ, ๆุกสลับกันมาในที่สุดความจริ ง, จรงเจตนาของพระพุทธเจ้าต้องการสอนคนข้างหลังเพราะตามบุญดีคนฉลาดนั้นไม่ยอมรับอะไรง่ายๆใช่ไหมถึงไม่ว่าจะพบพระพุทธเจ้าแต่ว่าพราะพุทธเจ้าสอนดีขนาดชวนเพื่อนมาเพื่อนยังบรรลุก่อนเลยเพราะโมฆราชแค่เจ็วันท่านก็ถึงเลยใช่ไหมแล้วเพื่อนๆที่ชวนมาก็เห็นธรรมบรรลุธรรมไปก่อนแต่ภาษาริบุตรแค่ได้ดวงตางเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์แต่ผมมาฟังธรรมเทศนากันเนี่ยเก็ตเลย เพราะฉะนั้นธรรมเทศนาสุนทนากันระหว่างปุริจกักทีขานะคะอคิเวชนโกชื่อว่าเวทนาบริขาสูตรและธรรมะกันนี้ทําให้มีคนบรรลุธรรมถึงสองคนอคิเวชนโกนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแต่คนที่งานพัดทั้งหลังได้บรรลุเป็นกนะุลาหันเอ่อในกันเดียวกันนะั้นนะแต่ว่าเนื้อหาอะไรเดียวกันแต่ว่าบรรลุธรรมต่างกันด้วยระดับอะไรสติปัญญาเนะี เพราะฉะนั้นในจุดนี้ถ้าเอาเราไปศึกษาสังเกตเวทนาให้ชัดๆจากหยาบกลางละเอียดแล้วปัญญาญาณมันเกิดขึ้นเพราะนั้นมาเลยไม่แปลกใจว่าท่านพระส า, ารีบุตรทำไมถึงเป็นเยี่ยมในทางานปัญญาเพราะว่าหลังจากท่านจับประเด็นตรงนี้ได้ท่านสังเกตทุกเวทนาเลยเวทนายาเป็นยังไงทําให้เราทนไม่ได้ถ้าเวทนาละเอียดทําให้เราทนได้ง่าย เวทนาละเอียดว่าสุขเวทนาเวทนาหยาบเรียกว่าทุกขเวทนาเวทนาที่ยังไม่แน่เรียกว่าไม่ว่าหยาไม่ไม่รู้ว่าหยาหรือละเอียดเรียกว่าอทุกขามสุขเวทนาพอสุขทุกเวทนาอนทุกเข้าไปถูกตามรู้มันพัฒนาเป็นเลยอโลภอะโทสะอโอมหะทำอันนี้แต่ว่าไปตัดอันนั้นเห็น <He ard S 2> ไหมนี่นี่ลักษณะทำของพระพุทธเจ้า นั่นเราจะเห็นว่า uh ma เราอย่ามองข้ามเพราะเวทนาเป็นสะพานธรรมเป็นสัมมูศรนาท่านว่าเป็นที่มารวมของธรรมทั้งหลายคือเวทนาเพราะฉะนั้นจากรูปไปสู่นามจากนามมาสู่รูปทักเวทนาจึงเป็นได้ทั้งรูปและทั้งนามถ้ามันมารู้ในฝ่ายที่เป็นรูปเรียกว่าเวทนาที่เป็นรูปถ้าไปรู้ทั้งฝ่ายนามและเวทนาที่เป็นนามเพราะนั้นตัวเวทนาจึงเป็นสะพานเราจะมองข้าม ทุกวันนี้เราทุกเพราะอะไรทุกเวทนาใช่ไหมเออแก้ไขปรับปรุงตั้งแต่เช้าจุดเย็นตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับยุ่งแเรื่องเวทนาแต่ส่วนใหญ่ไปเข้าใจเวทนาเป็นอะไรเป็นเรา เ, าเป็นฉันเป็นกูไม่สบายกูชอบสิ่งนี้ฉันชอบสิงฉันไม่ชอบสิ่งนั้นเข้าไปยึดเป็นเราหมดเลยแต่พอมาเจริญสติแบบนี้แล้วต้องเห็นเวทนาว่าเป็นอะไรต้องเห็นเวทนาเป็นอะไร ลืมละลืมสูตรละอย่าลืมสูตรคูณต้องเห็นเวทนาเป็นไตร ล, ลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังนันไม่ใช่ตัวเราแต่ไอการที่จะจำจำเห็นเห็นไปเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงอะไรสัญญามันไม่ใช่ปัญญาเพราะนันการที่จะทำให้เป็นปัญญาทำไงก็ต้องผ่านอาตาปีสติมาสัมปชาญต้องเพียนด้วยสติสัมปยะถ้าเพียนด้วยตัณหาวิชาไปไงก็ไปอีกแบบหนึ่ง อาตาปีตัญหาอุปทานไปอีกแบบหนึ่งก็อย่างที่เขาเพียนกันน่ะมันไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะแทนที่อาตาปีสติมาสัมปชานโนมันเป็นอาตาปีตัญหาอุปทานกรรมฐานมันก็เลยไปอีกแบบนึงไม่สําเร็จประโยชน์เพราะทำด้วยความอยากในความยึดสําคัญว่าเวทนาเป็นเราเอออย่าไปทํำของฉันนะฉันไม่ชอบนะเอออย่ามาพูดอย่างนี้กับฉันนะฉันรับไม่ได้นะมันมีทั้งนี้ตลอดเลยอ่า เพราะฉะนั้นตัวเวทนาถ้าใครไปกาหนดรู้ศึกษาในรายละเอียดแล้วปัญญาวิปัสนาญาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแ่งที่เกิดปัญญาที่เป็นโลกุตละเนี่ยมันอันลิมิตไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรมันมีตัวที่จะทำให้เกิดแต่แหล่งที่เป็นปัญญาที่เป็นโลกิยะมันลิมิตเพราะเราจะต้องได้ เชื้อได้สายได้สิ่งแวดลอมมาจากพ่อจากแม่จากสิ่งแวดลอ้อมมันถึงนี่ไอตัวปัญญาที่เป็นโลกุติระคุตลัลลัคเกิดแต่ปัญญาที่เป็นโลกุตัละันี่เพียงแต่สื่อทํากับตัวเองได้แค่นั้นพัฒนาได้ไม่มีทีนสุดซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนแม้แต่คนโง่ที่สุดอย่างพระจุลมังดกยังเป็นคนฉลาดที่สุดเป็นพระอรหันต์ได้อะใช่ไหมอย่างโจรที่ไร้กะที่สุดยังพลิกให้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างอคุลิมานะเห็นไหมเพราะมากําหนดที่ว่าเป็นตัวรู้สึกเนี่ย ดังนั้นจึงไม่อยากจะให้มองข้ามในจุดนี้อยากจะให้แต่ละวันที่ทําอะไรล่ว ง, ล, วงล่วงผ่านไปโดยไม่รู้เนมาเสียดายว่าทำไมมันเสียดายนะเวลาที่ผ่านไปอ่ะแต่ถ้าหากพยายามรู้ไปตามรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องอาศัยมาใครมากระตุ้นมาดุดม า, ด, ด, มาดันมาโมดิเวตแล้วหรอกเราพอใจที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยตัวเอง แต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็เอาอาจารย์ว่านะถ้าอาจารย์เตือนหน่อยก็เคยเริ่มาอาจารย์เผอหน่อยก็ไปใครไปม า, านี่เท่านี้ตลอดไม่มีทางที่ไปไหนได้เลยเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นกับตัวเองมันขึ้นกับผู้อื่นอยู่เออมันไม่เห็นเลยเพราะมันไปปารบผู้อื่นไม่ปลารบตัวเองอะ่ะถ้าปลารบตัวเองทําด้วยการศึกษาไม่ต้องเอาอาจารย์เป็นที่ตั้งอาจารย์เพียงแต่มาให้กําลังใจมาให้ข้อมูลมาให้มาชี้ทางเท่านั้น แต่ว่าตัวเราเป็นผู้ที่ต้องการแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการเราต้องการแต่ว่าความมั่นใจมันไม่พอความเข้าใจมันไม่พอไอ้สิ่งมรรคผลนิพพานใครทําบุญก็ปรารถนาทั้งนั้นนะนิพพานนะปัจโยขอวัตุอนะาคตาคาเตกาเลทุกคนนะนะแต่ว่า เ, าเอาจริงๆริงนะไม่เอานะถ้าเผยท่านก็ทิ้งไปเลยนะไอ้การกระทำโดยสิ่งที่เราต้องการมันไม่แมทไม่สมไม่สัมพันธ์กันดังนั้นจึงอยากจะตั้งสติเสียให ให้ศึกษาอย่างนี้ด้วยศรัทธาของตัวเองอย่าไปปโลโรพว่าเอออาจารย์ไหนสอนดีฉันจะไปปฏิบัติด้วยสํานักโน้นสอนดีทำอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติไม่มีทางจะไปไหนได้เลยเพราะปารพบุคคลอื่นอยู่แต่เรื่องของศีลธรรมต้องปลารพบความต้องการของตัวเองเป็นหลักแล้วเริ่มลงมือศึกษาดังนั้นในคําสอนพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าไตรสิกขาไง น, นะต้องศึกษาการจะมีศีล ที่ไม่เป็นศีละผ้ะต า, าตาบปรมาิตก็ต้องศึกษาการที่จะทําสมาธิมาให้มันเป็นสมาธิแบบพราหมณ์ก็ต้องศึกษาการจะมีความรู้มีปัญญาที่ไม่ให้หลงอัตตาตัวตนมากขึ้นก็ต้องให้ศึกษาในสิ่งนั้นก่อนเรียกว่าไตรสิขานะทีนี้จะศึกษาเริ่มจากตรงไหนไม่ใช่ไปศึกษาในตำรับตำราศึกษาที่เป็นตัวเองที่พูดถึงเรื่องธรรมะวิจยะเมื่อคืนน่ะ ใช่ไหมศึกษาในลักษณะที่เป็นธรรมวิจิตคือสภาวะความเป็นจริงอะไรปรากฏขึ้นเข้าไปดูเข้าไปเฝ้าดูเข้าไปศึกษาเข้าไปพิจารณาถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอยู่อย่างนั้นทําบ่อยๆแล้วมันก็จะพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาตามลําดับโดยที่ไม่ยากเลยเมื่อพระสารีบุตรท่านเข้าใจตรงนี้แล้วก็โอใช่ไหม สิบห้าวันนะ่ะกว่าจะได้บรรลุธรรมแต่เพื่อนเข้ามาคนละหกวันเจ็ดวันเขาบรรู้ธรรมกันไปแล้วเท่านบอกว่าเป็นวิสัยของคนฉลาดที่ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ข้อมูลอะไรมาถึงถูกใจจริงๆถ้าคนฉลาดเอาแล้วนี่เอาจนจะเรียกว่าเต็มที่เลยเพราะเขาเขามักจะเป็นชีวิตที่ตรงนะเมื่อตรงดีไปทางไปดีก็ตรงกันแต่เมื่อได้พอดีก็เอาเต็มที่เหมือนกันนี่ เพราะฉะนั้นธรรมะของพระนิจเจ้าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้นะแต่ที่เราศึกษากันมาก็คือมันจำจำด้วยสัญญาแล้วก็พยายามจับอนนประสมนนีิทำไมอาตมาถึงมาประทับใจวิธีการของพ่เทียนเพราะท่านพูดเรื่องเดียวอาจารย์อื่นสอนดีหมดนะแต่พูดหลายเรื่องเราจะไม่ถูกเหมือนเอาไไใบไม้ในป่านะแต่หลวงพ่อเทียนพูดถึงหนึ่งสติเรื่องเดียวอาจจะหลายบริบทหลาย สิ่งแวดล้อมหลายนีสิสายบุคคลก็เปลี่ยนไปเอามาก็เข้าใจว่าพุทธเจ้าก็ตแต่เรื่องเดียวมกันแหละแต่เนื่องจากเราสืบทอดมาสองพันกว่าปีนะเราจะไปดูไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของออจากพุทธโอดอันไหนไม่ใช่นี่เราไม่รู้นะแต่หลังจากเราเข้าใจอันนี้แล้วเราจะแยกออกว่าอันไหนเป็นความสอนของพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่ของพ่อพุทธดาธพูดคํานี้แล้วปรากฏว่าไปกระทบพวกอาภิธรรม เช่งพพุทาธาจะไม่มีเป็นปฏิวทัติไปเลยนะแต่ความจริงมันถูกของท่านนำมาว่าพระไตรปิฎกนี่จะให้ดีตัดออกสัเ็ดสิบเซนเหลือสาสิบเซ็ตพอโอ้โหพวกอาพิธรรมเนี่ยลุกเป็นไฟเลยแล้วนะโกรธทันทั้งนั้นจะเห็นว่าเราจะพระไตรปิดกไม่ได้เกิดก่อนพุทธเจ้าเกิดหลังพุทธเจ้าปณิพานด้วยซ้ำไปใช่ไหมแต่เราทําไมไม่ย้อนไปว่าพพุทธเจ้าท่านสอนอะไร นะย้อนไปว่าในสิ่งที่ท่านพูดถึงเนี่ยพอธรรมเทศนากันแรกปั๊บท่านม่ไดพูดถึงว่าจะให้ทานรักษาศิ่งเจริญมาท่านไม่พูดเลยพูดว่าชีวิตที่มันมีสามทางนที่บัตรชิตไม่ควรเสพและคนเสพอย่างไรใช่ไหมอ่าในส่วนที่ว่าทางที่เป็นปัญมาปฏิปทาทางที่ย่อนเกินไปทางที่ตึงเกินไปควจะเลืทั้งสองทางนี้มาเอาทางที่พอดีและทางที่พอดีอดก็คือฟิกลงไปได้แก่ทางนี้ สมาธิทิเป็นโดนไปสมาถสติสมาสมาธิแต่ไปถึงที่สุดแล้วไม่ใช่มรรคแปดเป็นมรรคสิบใช่ไหมเพิม่มอะไรอีกสองตัวคุณหมอวิเชียนสัมมาญาณนกะับสัมมาวิมุตติอ่าสอบผ่านนะเป็นมรรคถ้าก็รู้ให้ถูกแล้วมันก็เป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเพิ่มเข้ามาด้วยเป็นมรรคสิบ ดังนั้นเองเราจําเป็นจะต้องมาเริ่มต้นให้ถูกต้องเริ่มต้นว่ขนาขณะนี้พื้นฐานของชีวิตประจําวันทุกวินาทีของเราคืออะไรเวทนาใช่ไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทน า, ททน า, ททนาแล้วที่แล้วมาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเวทนานี้อย่างไรเกี่ยวข้องว่ามันเป็นตัวตนคือตัวเราของเราใช่ไหมแบบ น, นี้เราจะไปสู่ศึกษาพุทธธรรมก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เห็นเวทนาเป็น ใจลักถูกต้องเมื่อเห็นเวทนาด้ลักมันก็สีนสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นทันทีใช่ไหมสีนสมาธิปัญญาเกิดขึ้นคือมาแทนกับตัวนิจังทุกขังนรตาแต่แล้วสีนสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เรียกว่าไใจศีขาเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตรงนี้ให้ชัดให้ถูกทีเดียวถ้าเริ่มต้นนี้ไม่ถูกต่อศึกษาคุศลนาอีกเป็นร้อยปีก็ไม่มีทางจริงมันจะหลงทางนะ ดังนั้นในจุดนี้ก็จึงว่าเป็นโชค ด, ดีที่เราจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันแต่ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยามาอยากจะให้ลดการหลงลืมลงทุกวันมันยังร้อยปอรเซ็นต์อยู่นะมันยังว่ายขยเป็นสักสิบเซให้คือพยายามกำหนดรู้ในในนะแต่เราถึงการลุกกันนั่งการย่างการคุยกันพูดการกิน แม้กระทั่งการเปิดประตูก็ยังมียังมีอย่างหลงลืมอยู่นะนะเพราะฉะนั้นการพลิกแต่ละครั้งมีความหมาย <c oughs> การนั่งแต่ละครั้งการเปิดการปวดมีความหมายอย่ามองข้ามแต่ถ้าเราไม่ได้สติมันก็ยังเป็นความเคยชินไม่มีความหมายอะไรก็เรียกว่าอะไรสรัญชาตญาณก็ดังกล่าวไปไวันก่อนวนะ่าถ้าชีวิตของเราอยู่ภายใต้สัญชาตญาณไม่ได้ตนะ <c oughs> ่างกว่าพวกนั้นเท่าไหร่นะไม่ได้ต่างกว่พวกนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนใหม่ดี ไหนใดนเราเป็นมนุษย์ซึ่งมีอินทรีย์มีความสามารถศักยภาพในการรู้ตัวเนี่ยต่างกว่า ส, สัตว์สาทอื่นแต่ทําไมเราจึงไม่ทุ่มเทเพราะเรายังขาดความเข้าใจขาดความเชื่อมัน่นนะการความเข้าใจความเชื่อมั่นก็ได้จากกัลยาณมิตรอาตมามาเป็นกัลยาณมิตรให้แล้วก็มีอะไรที่ขัดข้อไม่เข้าใจถามแต่แตลอดเวลาพร้อมที่ชี้แจงให้ชัด ตามความสติตามปัญ ญ, ญาถ้าหมดสติปัญญาแต่มาแล้วโอเคตัวใครโัวมันก็แล้วไงเอามาก็ทําสิ่งนี้มาหลายหลายปีถ้ามาผิด ก, ก็ผิด ก, ก่อนอ้ามาหลงก็หลงก่อนนะเพราะฉะนั้นเองให้มีหลักประกรันอันนี้เอาไว้ดังนั้นเวทนาทุกเม็ดทุกจุดต้องไม่ไม่ละเลยที่จะไปสนใจมันปรับได้ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ย น, ยนศึกษาได้ศึกษาทนได้ทนแต่ให้มันเป็นลักษณะที่เป็นสายกลาง แต่ทนมากเกินไปก็ตรงปล่อยมากเกินไปก็ตรงใช่ไหมทนบ้างแล้วก็เปลี่ยนบงังปรับไปให้มันอยู่ได้แล้วก็เอาความรู้จากมันเอาภูมิธรรมจากมันมันเป็นเครื่องมืออย่าเอามาเป็นตัวเราแต่เอาเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาดังนั้นการลุกการ น, นั่งการย่างการเดินของเรามีความหมายถ้าหากว่าเราใส่สติและศึกษาเข้าไปนะแต่ถ้าเราไม่ใส่สติศึกษาไปลุกยืนเดินนั่งนอนมันสูนเปล่าจริงๆอะไรประโยชน์จริง แล้วคุณค่าของชีวิตก็ไม่ได้เพิ่มมูลค่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเพราะเงี้ยนะยังตกไปเหมือนเดิมดังนั้นช่งเช้านี่หมดเวลาแล้วเนาะอคุยกันไปมาหมดเวลาก็ขออมุโทนาที่จะศึกษาและตั้งใจเพราะว่าไม่มีประตูอื่นเลยนะมีประตูเดียวที่นี้ยคือ ป, ประตูแห่งสติปัญญาแล้วก็ไปทําพยายามใช้ความพยายามให้ถูกนะส่วนพยายามจะถูก อย่างไรถึงจะถูกนั้นก็ค่อยว่ากันโอกาสต่อไปก็ให้ตั้งใจว่าให้เอาตัวสติรู้สึกตัวเนี่ยไปศึกษาเวทนาให้ให้ชัดๆแล้วก็ทำลงไปด้วยความไม่ดังเลและจุดนี้ก็จะเป็นพลังแห่งภูมิธรรมภูมิปัญญาที่นำไปสู่ตัวรู้แจ้งเห็นจริงโดยการทุกคนทุกท่านถือ